แต่วิธีการพวกมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธเร็วพรุดเดียวเลยนะค่อยๆออกมาทีหันทีละชิ้นทีละชิ้นออกไปก็ปฏิเสธทีละอย่างสองอย่างแบบสมัยใหม่เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธพระไตรปิฎกตอนแรกบอกอภิธรรมปิฎกใช้ไม่ได้นะกลุ่มหนึ่งออกมาไอ้คนหนึ่งบอกพระสูตรบางสูตรใช้ไม่ได้ดคนหนึ่งวินัยวางอย่างใช้ไม่ได้ก็ออกมาหันไอ้คนนี้กลัวว่านี้ไม่ได้อันนั้นว่านั้นไม่ได้คนบางคนไปเชื่อไปเรียนเข้าทุกรัฐที่บอกสรุ ป, ปพระไตรปิฎก เชื่อไม่ได้ก็หมดแค่นั้นนะนะก็หมดกันคนนั้นก็กลายเป็นคนอันตรทานเลยเนี่ยนะอันตรทานจากศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เรก็ไม่ใช่ทายาทของพระพุทธเจ้านะเพราะมิจฉาทิจิเนี่ยถ้าสังเกตดูว่ามิจฉาทิฐิหรือไม่มิจฉาทิฐิเนี่ยนะก็สมมุติถ้าคิดว่าถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอื่นจากคําสอนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะ นั้นถ้าปฏิเสธพุทธพจน์ก็แปลว่ามีความเหม็นตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิพวกนี้ระวังมากอันตรายมากแล้วถ้าเป็นถึงขนาดนี้ยตามมิจฉาทิฐิด้วยก็ดิ่งไม่มีใครแก้ไขได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเองไม่คิดจะแก้ใครมาพูดก็จะดูถูกไอคนที่ม า, มาแนะนําว่าไอคนพูดมันดีแค่ไหนไอคนพูดมันรู้อะไรเนี่ยนะเป็นต้นก็จะปฏิเสธเพราะไอคนที่มาช่วยแก้เราต้องได้รับการแก้ไข ให้เห็นเหมือนเราเพราะเรามันเป็นความเห็นที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนอื่นมันผิดหมดไล่พวกไม่เห็นผิดมาแก้เรามันจะเป็นไปได้ยังไงเราสี่ต้องแก้พวกนั้ น, น, นก็ไม่ง่ายเลยนะก็อย่างนี่แหละก็เหมือนกับแบบสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพวกเรียรธีเขาบอกว่าเออเนี่ยยาเอาอานะในอุปาลีวาทศูนย์ข้างหน้านี่เห็นชัด บอกเนี่ยอย่าเอาพระผู้เอาอุบาลีส่งอุบาลีครือบาดีเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมมีอาวัตตนีอะิเรามีอาวัตวีมายาเนี่ยนะคิดเรามายาเรียกว่ามลกลับใจเดี๋ยวไปถึงพระสมณโคดมก็กลับใจไปเป็นพุทธสาวกหมดหรอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้อุบาลีเครหอบาดีนี่แหละจะไปเอาสมณโคดมเป็นสาวกเหมือนกันนะอะไรก็ส่งไปที่สุดก็กลายเป็นพระโสดาบันนะี่ยนะแต่ว่า นิครนนหะัตบุตรคนนั้นเนี่ยเลือดกระอักแล้วก็เข า, เข า, เ, ขาเขาคิดว่าเขาถึงที่สุดเขาเป็นคนส่งอุบาลีคือหาบดีไปแก้พระพุทธเจ้าไปแก้ไขซะไปเปลี่ยนทิฏฐิสมณะโคโดมให้มาเห็นถูกตามรับที่ของตนเนี่ยเขาขนาดนั้นนะเขาส่งคนไปแก้พระพุทธเจ้ายัางสมัยใหม่ก็ส่งคนแก้พระไตรปิฎกไปเรื่อยๆเหรอแก้พระไตรปิฎกว่าเออเนี่ยพระไตรปิฎกมันนมันผิดตรงนั้นบ้างผิดตรงนี้บ้างคือไอ้ที่ผิดเนี่ยมันผิดใจอ่ะนะ มันผิดใจของเขาเองมันไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติของเขามันต้องค่อยๆชําระตัดบางส่วนออกไปที่ไม่ตรงกับความเห็นของตนอันนี้นี่เราไม่พูดถึงว่าแปลอาจจะผิดบ้างเล็กๆน้อยๆไปอย่าถือเป็นประมาณแต่หมายเขาว่าต้องการแก้บทความต้องการแก้ไขต้องชําระใหม่เนี่ยชําระให้มันเป็นไปตามทิฐิแนวนี้ก็เลยหนักๆเข้าเนี่ยวิสุทธิมรรคก็แปลไม่ดีต้องแปลใหม่เนี่ยนะพระไตรปิฎกก็แปลไม่ดีต้องแปลใหม่ตามลัทธิของตนของตน ก็มีบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่น้อยมันก็กลายเป็นว่าฉบับของใครและวคะเนี่ยพระไตรปิฎกฉบับของข้าพเจ้าแล้วก็วิสุทธิมรรคฉบับข้าพเจ้ามันก็จะแปลใช้สักกะพยัญชนะให้มันสอดคล้องตามรับที่ข้าพเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บุคคลเหล่านี้ถ้าศึกษาเพื่อให้พระไตรปิฎกเนี่ยนับถือตัวเองไม่ต้องแก้ไขพระไตรปิฎกให้โอนไปตามที่ตัวเองเข้าใจ ไม่ได้เคยพราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความเห็นของตนให้เป็นไปตามพระไตรปิฎกไม่พยายามที่จะทํายังไงอ่านพระไตรปิฎกให้มันอ่านแล้วเข้าใจเหมือนที่ฉันเข้าใจไม่ใช่ฉันต้องเข้าใจตามพระไตรปิฎกมันมีสองอย่างการศึกษาศึกษาเพื่อจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระกับศึกษาให้พระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกของเราศึกษาให้พระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกของเราก็คือศึกษาเสร็จก็แก้ไขพระไตรปิฎกซะพระไตรปิฎกใช้ไม่ได้เราถูกคนเดียว เพราะฉะนั้นเขาเขามีมีพระรูปหนึ่งไม่รู้มาอย่างไรเทิดทราๆๆมาออกมาปฏิเสธพระพุทธโคสาชามเนี่ยนะท่านไปนั่งหลับตาในป่าออกมายัางไรไม่ทราบออกมาปฏิเสธพระไตรปิฎกออกมาปฏิเสธโอ้ยยุ่งเหยิงไปหมดไม่รู้ตอนนี้ปจุติปฏิสันธิหรื อ, อยังไม่ทราบนนะีแต่ก็มีเนี่ยนะออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็เชื่อไหมมีคนพร้อมจะเชื่อถ้าถ้ามีคนพูดปฏิเสธพระไตรปิฎกเนะี่ยเขามาเชื่อว่าคนมานั่งฟังนี่ห้าสิบเท่าตรงนี้ก็ได้ อาจจะฟังฟังมากกว่าที่เรากําลังนั่งฟังเนี่ยฮะสักสิบเท่าหรือยี่สิบเท่าเนี่ยนะเพราะคนพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฐิแต่ถ้าพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฐิทําเป็นมรคน้อยสันโดษเหมือนกันะพอแล้วเนี่ยนะมรคน้อยสันโดษทันทีเลยนะแล้วก็อกุศลเท่าเดิมเนี่ยนะเออมันก็น่าคิดน่าอกน่าพยายามทบทวนเหมือนกันนะว่าเอามันเป็นยังไงเรื่องทิฐิทิฐินี้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้ามิจฉาทิฐิเกิดขึ้นนะจะปฏิเสธสัมมาทิฏฐิ และจะสมาทานมิจฉาทิฐิแต่มันไม่ให้เอาทีเดียวมันจะค่อยๆเอาทีละข้อทีละข้อเริ่มจากมิจฉาทิฐิมาเป็นอภิชาติบ้งมาเป็นพยาบาทบัง่งลามมหามิจฉาวาจาบ้างลามมหามิจฉากัมมันตะบ้างลามมหามิจฉาสังกัปปะบ้างมิจฉาวายามะหนักๆท้ายที่สุดก็ขังตัวเองไว้ในอบายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเนี่ยนะ กลายเป็นตัวยุงตัวมดตัวแมลงตัวอะไรที่ขังตัวเองในที่สุดก็ไปเป็นแมลงแล้วก็ต้องหุ้มตัวเองอีกชั้นหนึ่งนะอ้ามไปยุ่งเด็กขาเลยนะก็เมื่อก่อนสงสัยว่าทําไมพวกแมลงบางตัวทําไมต้องห่อหุ้มตัวเองมากนี่เขามาจะแม่ที่บายแบบพวกนักแมลงวิทยานะนะพวกนักแมลงวิทยาก็จะคิดแบบนั้นแต่เขามาบอกว่านี่มันมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยมันห่อหุ้มห่อตัวเองในที่สุดบกปิดตัวเองมัดเม็ดตัวเองในที่สุดก็ เป็นแมลงเนี่ยนะมกเม็ดตัวเองปกปิดซ่อนเร้นอยู่ตามเรือตามเขาไปอยู่ทะเลลึกโน่นอะ่ะก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิคืาเรื่าไม่เห็นดวงเห็นอาทิตย์เห็นตะวันเนี่ยนะก็ะว่าอยู่ก้นใต้ทะเลลึกนะถ้าใครเคยดูบางภาพเนี่ยจะเห็นภาพใต้ทะเลลึกเดราชานทั้งนั้นเนี่ยนะอบัยภูมิทั้งนั้นเลยบางเดราชานบางตัวนี่อยู่ในน้ําร้อนเกือบๆจะต้มสุกอนะ่ะต้องทนน้าร้อนอยู่อย่างนั้นอะ่ะจนตลอดชีวิตของเขาบางทีก็อยู่เย็นอย่าเยือกเลยนะ เรียกว่าทั้งในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยแล้วถามว่าในโลกของนรกในโลกของเปรตในโลกของอะไรที่มันจั ก, กรวาลอื่นๆต่อไปอีกจากขนาดไหนเพราฉันต้องระวังว่าจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ความคิดของเรานี่แหละความเห็นของเรานี่แหละแ้วตอนนี้เราเห็นอะไรคิดยังไงมันพอจะไปสุขติโลกสวรรค์บ้างเพรันตอนนี้เนี่ยนะในฐานะของเราพุทธศาสนิกชนก็ต้องเอาคำของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็น สัมมาทิฏฐิหรือจะพร้อมด้วยเดินด้วยลําพังตัวเองแล้วไม่พอพึ่งพระพุทธเจ้าล้านะข้าพเจ้าสรารนังค้าฉามิอะไรเงัน้ยนะแต่ถ้าแบบนี้ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็โอเคนะก็แสดงว่ามั่นใจมากกว่ไปเยอนะอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็บอกว่าข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งสรารนังค้าฉามิอันนี้ก็ต้องไม่ใช่นะใช่ไหมของเรามีพุทธังทำมังสังขังสรารนังค้าฉามิ ทุติยมปิบอกว่ไม่ใช่แบบเมาแล้ว่านะไม่ได้ว่าทีเดียวว่าสองครแม่ครั้งที่2แม้ครั้งที่3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะพันธ์พระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาสวาคาโตพระควาตาธรรมโมสุปฏิปันโนพระควาตาอ่าพระควาโตสาวกสังโฆก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ใช่หนักๆเข้าบอกว่าอะไรนะก็มีอํานาจก็บอกว่าสวากาโตนี้ก็ต้องสวดครึ่งคำเพราะว่าพระไตรปิฎกมันผิดตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะ ก็ไม่ใช่สวาขาโตแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็ก็คือในยุคนี้ในท่ามกลางความสับสนเช่นนี้เนี่ยนะ แล้วเราเป็นอย่างไรเนี่ยนะงั้นคนที่มาศึกษาร่วมกันนี่ยเขามาจึงพยายามว่าทําอย่างไรเราจะพูดทางสารา น, านังคัจฉามิทำมังสังขังสารา น, านังคัจฉามิอย่าเพิ่งรีดนิพานเลยรู้จักสาระก่อนแนั้นเถอะแต่ถ้านิพานถูกมันก็ไม่มีปัญหานะถ้าบรรลุได้บรรลุไปเถอะไม่ห้ามหรอกแบบั้นแต่ปัญหาว่าทายังไม่รู้ว่านิพานคืออะไรบอกมารู้จักพระพุทธเจ้าก่อนเถอะบอกโอ้ยใครก็รู้จักทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของคุณคือใครเจ้าชายสิทธัตถะแบงนั้นพูดมาหน้าตาเฉยและาาใครก็ร ทั้งน hey, ั้นแหละเมืนั้นเออผมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับท่านแล้วเหมือนกันนะก็ก็เนี่ยมันเป็นอย่างไงพอเจอยุคใหม่ๆเข้ามันพระพุทธศาสนายังไงก็หมดไปจากโลกแต่ทีนี้ว่าปัญหาสำคัญเบื้องต้นเลยหมดจากใจเราหรือยังก็ถามว่าเอ้ยยังยังยังแล้วใจเราคิดอะไรตอนนี้ นั่นแหละมีสรรนาหรือไม่มีก็ดูจากความคิดของตัวเองนั่นแหละนี่ทำยังไงใจของเราจะได้มีสรรนาถ้าใจของเราทิ้งพ ร, ร, ออ ะ, รนะัตนตรัยเมื่อไหร่นะพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ทิฏฐิใดก็ทิฏฐิหนึ่งเพียงแต่เรามีความรู้ไม่พอที่จะอ่านว่านี่เป็นทิฏฐิอะไรแต่ถ้าคนที่เขาเรียนมาพอจริงๆคำพูดหนึ่งประโยคออกมาปั๊บเขารู้เลยว่าคำพูดนี้มีทิฏฐิอะไรเป็นเบื้องหลัง เนี่ยนะตัวคําพูดเน in ี่ยมันบอกหมดแล้วนะถ้าเรียนเรียนเรียนเรื่องทิฏฐิมาพอนะเรียนเรื่องทิฏฐิหกเรียนเรื่องทิฏฐิสอง้อเรียนเรื่องทิฏฐิที่ปรารบดินน้ําปรารบไฟปรารบอุเฉสสะสตะปรารบดินฟ้าอากาศเป็นต้นเนี่ยถ้าเรียนลัที่มิจฉาทิฏฐิเขาบอกเลยว่านี้มิจฉาทิฏฐิกลุ่มนี้นี้มิจฉาทิฏฐิกลุ่มนี้นี่มิจฉาทิฏฐิกลุ่มนี้มิจฉาทิฏฐิแบบนี้เอียงไปหาศสสตะนี้ในที่สุดก็โอยังไปหา อุเชตะตอนนี้กําลังกลางกลางอยู่พร้อมที่จะเป็นอุดเชตก็ได้พร้อมที่จะเป็นสัสตะก็ได้บางทีมันนับถือสัสตะครึ่งหนึ่งนับถืออุดเชตครึ่งหนึ่งทิฏฐิเราเนี่ยมันพันวนกันอย่างไรอันนั้ทิฏฐิอันนั้นแหละเรื่อง่าทิฏฐุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยก็เกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยก็เกิดชรามรณะแต่ปัญหาว่าไอ้นิจญาตมิจฉาทิฏฐิดึงแน่นอนที่จะตกนรกกลับเป็นเดรัจฉานอันนี้แน่นอนในพระพุทธเจ้า ประทัตราให้รับรองว่าใช่แน่นอนนรกกับเด ร, รชานเท่านั้นเนี่ยนะเขบอกโอ้โอยไกลไปชาติหน้าใช่ไหมจริงหรือเปล่านี่ยนะเป็นดินถล่มตายกันทั้งยี่สิบกว่าตายกันทุกวันเเน่นและเนี่ยตั้งหกพันล้านนะเชื่อไหม ай, เราหายใจหนครั้งคนก็ตายแล้วหนึ่งคนนะแต่เนี่ยเราหายใจออกก็มีคนตายหายใจเข้าก็มีคนตายนีนะแต่ถ้าเป็นพวกเด ร, รชาญเนี่ย ถ้าเป็นเดรัจฉานเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยตายเป็นร้อยตัวสมมติถ้าเป็นไก่นะหนึ่งวินาทีเนี่ยตายเป็นร้อยรอยตัวถ้าทั่วโลกในหนึ่งวินาทีตายเป็นแสนตัวหายใจเข้าพุทธเนี่ยสัตว์ตายเท่าไหร่หายใจออกพุ่งออกมาเนี่ยนะหายตายเท่าไหร่เนี่ยท้าโลกทั้งโลกเนี่ยสัตว์จุติปฏิสนธิเท่าไหร่ชั่วหายใจเข้าออกเนี่ยมันมากจริงๆนะนะอันใครที่เข้าใจกติกาเรื่องจุติปฏิสนธิเหตุที่ทําให้สัตว์ตายจะไม่แปลกใจเลยว่า ปัใจจัยให้อยู่นี่นิดเดียวเนี่ยนะปัใจัยให้ตายเยอะมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะอาหารที่เราว่าเป็นยามันกลายเป็นภัยไปแล้วมันเป็นพิษไปตั้งนานแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราว่ามีคุณก็กลายเป็นสิ่งที่มีโทษไปได้แล้วจะเอาอะไรมารับรองกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่เรามิจฉาทิฏฐิคิดตรงข้ามหมดเลยมิจฉาทิฏฐิคิดตรงกันข้ามกับ คำสอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรอันนะอย่าลืมว่าสัมมาทิฏฐิโดยใหญ่ๆหกอ่าห้าอย่างด้วยกันหนึ่งความเห็นของเรายังเป็นไปตามแนวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือไม่อันนี้คําถามเนี่ยนะว่าเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่เป็นหนึ่งกรรมสกตามีไหม รู้ไหมว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปนั่นแหละคือสมบัติของเราเราจะเป็นทายาทผู้รับมรดกอันนั้นทั้งกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมนะกรรมเป็นปัจจัยกรรมเป็นปัจจัยจึงมีกรรมมาพบนะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติกรรมนี่มีตัณหาเป็น ปัจจัยมีอุปาทานเป็นปัจจัยก็สาวไปว่ากรรมมีกรรมเป็นของของตนสองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิอนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาฌานสัมมาทิฏฐิอริยมรรคสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะวิปัสนาคือการวิจัยเพื่อให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะมรรคสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่รอบรู้ในอริยสัจทำกิจในอริยสัจทั้งหลายเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เรามีหรือไม่ถ้าสัมมาทิฏฐิเหล่านี้ไม่มี แสดงว่าเราพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฐิพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฐิด้วยเหตุผลหนึ่งเมื่อความคิดบางอย่างเราเติบโตเต็มที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิสมบูรณ์แบบประมาณนั้นนะอย่างที่สองไม่ได้คนที่สมคบรู้ร่วมคิดประมาณนั้นนะถ้าได้คนบางคนที่สมคบสมรู้ร่วมคิดกันเมื่อไหร่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะให้คนมาให้คะแนนเรานิดเดียวแค่นั้นแหละ เราเป็นนิจทาทิฏฐิโดยที่เดียวว่าใครอย่ามายุ่งกับฉันเลยแบบนั้นนะฉันมีทิศความเห็นเป็นของฉันสมบูรณ์แบบแล้วฉันนับถือตัวเองเป็นสารณะเรียบร้อยแล้วเนี่ยน ะ, ะตรงเนี้พวกพวกนี้จะตามิทาทิฏฐิถือเอาแต่ความเห็นของตัวเองนั่นแหละเป็นสารณะอันนี้เรียกว่าคติสองคือนรกกับเดรฉ า, านพระ อ, องค์บอกว่าอันตรายอคำว่าอันตรายนี่แปลว่าอะไรห้ามสวรรค์ห้า ม, รรามนิพพาน อันตรายเนี่ยนะคือมันห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามนรกนะแปลว่าเปิดทางนรกโล่งเลยนะเปิดทางเปรตก็โล่งไปหมดเลยเพราะนั้นเราต้องระวังว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกอะไรเป็นเหตุแห่งสุขพระองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะมีโทษมิจฉาทิฏฐิมีโทษเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิมีโทษเป็นอย่างยิ่งตรงกันข้ามสัมมาทิฏฐิมีประอุปการะคุณอย่างยิ่งเนี่ยนะมันก็มีสองอย่างไม่มิจฉาทิฏฐิมันก็ สัมมาทิฏฐิ uh, มันก็มีอยู่เท่านี้แหละเรื่องทิฏฐิ uh, นะถ้าไม่เห็นถูกมันก็เห็นผิดมีสองอย่าง